บอความสุ่ความเจริญจึงมีแต่ท่านทุกวังทลายแต่รมปะโตติญาณได้นำเสนอเรื่องอเบขาบ ร, รมีสืบต่อกันมาโดยดําดับก็มีทั้งระดับหยาบระดับกลางและระดับละเอียดเมื่อก่อนได้พูดถึงวิริยุเบขาคือ ความเพียรอย่างกลางเกิไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีละะักษณะกองการประคองความเพียรให้อยู่ที่กุศลธรรมก็ทำนองใล้ๆกับเราขับรถรถเป็นตรงดีแล้วก็ไมไ่ต้องหมุนพวงมาลัยอะไรมากก็เพียงแต่ว่าประคองให้เดินไป การปะคองจิตตาหลักของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นในการจเจริญสมถะยามใดที่ใจสงบก็รักษาความสงบสงน้นไว้ให้ดำรงอยู่นานๆแล้วก็เพิ่มพูนความเข้มข้นขึ้นไปในการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปถึงจุดหนึ่ง ก็จะมองเห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พบอาการจางคลายของกิเลสลดความรู้สึกว่าเป็นของเราลงไปลดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนตัวเราลงไปหรือเราเป็นอะไรลงไปลดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปเมื่อจิตก็เห็นอย่างนั้นก็พยายามประคับประคองไว้แล้วก็พิจารณาต่อไป ในจุดต่อไปก็ที่จริงก็มีความต่อนเนื่องก็ เ, เรียกว่าสังขารุเปกขาเป็นการทำใจวางเฉยต่อสิ่งสัมผัสซึ่งเรงกากล่าวโดยสรุปก็คือรูปนามก็วันก่อนไปไปชุมทางวิชาการในที่หนึ่งคือฟังการอภิปรายเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจธรรมะเป็นท่อนๆคือไม่สืบต่อกันเป็นกระบวนการคือตัดออกมาเป็นชิน้นเลื่นชิ้นเป็นชิน้ น, นแต่ยิ่งธรรมะมันเป็นกระบวนการกระบวนการควายนึ่งเกิดควายนึ่งดับแล้วควาเกิดก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นเป็นกระแสไม่ว่าเราจะมองจากเรื่องอะไรก็ตาม ในกรณีตรงนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสิ่งที่เรามองนั้นสรุปแล้วก็คือนามาลูปทีนี้พอคําว่านามาลูปเนี่ยปไปปรากฏในที่อื่นคือไม่ใช่ปรากฏในระดับของวิปัสสนากรรมฐานเราก็เกิดความสับสนว่านำมาลูปคืออะไรก็ที่จริงถ้าเรามีโครงสร้างในการมองในการคิดเนี่ยนะฮะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ย เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือทั้งหกก็ได้นะฮะคือนับหกนับจิตด้วยก็ได้สิ่งอะไรก็ตามที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกกิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายสิ่งนั้นสรุปว่าเป็นรูปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็เป็นรูปแต่รูปสมัติคนอื่นนะฮะ ที่เราเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกหรือถ้าเรามองกันจริงๆแล้วคนอื่นก็เป็นอายตนะภายนอกของเราเราก็เป็นอายตนะภายนอกของเขารูปของเราเสียงของเรากลิ่นของเราก็ตลอดถึงรสของเราแล้วก็สัมผัสของเราก็เป็นอายตนะภายนอกของเขา พอมาถึงเอคนอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือรูปของเขาเสียงของเขากลิ่นของเขารสของเขาสัมผัสของเขาก็เป็นอยนายตนะภายนอกของเราผลสิ่งเหล่านั้นก็คือรูปแต่เป็นการรูปที่เราย่อยออกเพราะเป็นการมองในแนวค่อนข้างประณีตขึ้นแต่เราก็ลืมมองไปว่าไอ้ศีลเองนะฮะ ศีลสี่ข้อหรือห้าข้อก็ช่า ง, งนะฮะเอาเอาขนาดห้าข้อเนะี่ยเราสังเกตว่าศีลห้าข้อที่จริงก็คือรูปสิ่งมีชีวิตก็คือรูปประคันทรัพย์ทั้งสังหาริมาทรัพย์อสังหาริมาทรัพย์เกิดขึ้นที่ได้เกิดขึ้นที่ไม่ได้ก็คือรูปคู่ครองยทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะก็คือรูปแล้วก็ทรัพย์สินก็คือรูปสิ่งเสพติดก็คือรูปเป็นไหมฮะก็คือนามารูป เท่นิ้การที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ไอตัวความรู้เนี่ยนั่นเป็นนามถามว่าใครเป็นตัวรู้คือจิตทำหน้าที่รู้เพราะจิตก็เป็นนามด้วยนามรู้นามรูปรู้รูปแต่ว่ารูปเองเนี่ยมันมันไม่มีความคิดเพราะงั้นเราก็อาศัยแค่ประสาทเช่นประสาทตานี่เป็นเหตุให้เห็นรูปแต่ว่าจิตเป็นตัวรู้ว่ารูป เพราะงั้นก็จิตเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับเสนาธิการอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ก็รายงานมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งก็ไปสู่จิตจิตก็จะทําหน้าที่รับทําหน้าที่จําแล้วก็ทํานะนำเอามาคิดทีนี้สิ่งที่เรารับเราจําเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเพราะนํารูปที่เรารับเราจํามันจึงมีทั้งดีทั้งไม่ดีเมื่อเรานํามานเหนียวนึก ไอ้ส่วนที่ดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าส่วนที่ไม่ดีก็เกิดมีปัญหาขึ้นภายในจิตใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราไปคาดหวังไว้กับสิ่งเหล่านั้นขอให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรามีความรู้สึกเป็นอันตตาตตนพอเป็นอัตตาตัวตนก็บังคับเขาคือสั่งการเขาไปเรื่อยเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างอื่นเพราะสิ่งเหล่านั้นแปรผันใจมันทําใจไม่ได้ คือใจมันรับไม่ได้เราได้ยินบ่อยๆนะฮะภาษาได้ยินเวลาเขาพูดหรือเขาแสดงหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นข่าวเป็นคราวนะญาติพี่น้องที่รักตายไปฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอ ม, ม, ยอมตะโกนร้องหม่มร้องไห้ไปายกันเป็นการใด ไ, ม, ม, ไ ม, ม่ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมก็ต้องยอมหนนะเห็นไหมว่าเรา เราไม่สามารถทาใจให้เข้าถึงความจริงตรงนี้ได้ท า, ทางที่ว่าความตายมันก็เป็นธรรมดาแต่เพราะว่าไม่ได้เพ่งพินิจ ด, ดูแล้วเราก็ไปตั้งความหวังที่มันฝืนกฎธรรมชาติพอฝืนกดธรรมชาติเขา้าพอธรรมชาติเขาแสดงที่จริงก็แสดงความจริงของเขานะเราไม่ยอม ยอมรับไม่ได้เพราะว่าในลองสังเกตว่าเราจะมีปัญหากับเขาโดยเฉพาะกับตัวเราเนี่ยเรามีปัญหาเรามีการปัญหากับความแก่เวลาเกิดขึ้นแก่เราเรามีปัญหากับความเจ็บที่เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เกิดขึ้นแก่คนอื่นเรามีปัญหาเกี่ยวกับความตายที่เกิดขึ้นแก่คนซึ่งเรารักแล้วก็จะเกิดขึ้นก่เรา เรามีปัญหาที่เกี่ยวกับความความความพลัดพระาเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่เรารักสิ่งที่เรารักต้องพลัดพรากจากไปไเราไม่รักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเหรอแต่ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเนี่ยที่มันเป็นเพราะมันเป็นอน่างที่มันเป็นเราก็ยอมรับไปได้เราจึงโศกเพราะแก่เราโศกเพราะเจ็บเราโศกเพราะตายเราโศกเพราะการพลาดพราก แล้วเกิดปัญหาต่างๆอีกเป็นอันมากบางคนสามีตายบางคนพรนยาตา ย, ตายตายตั้งนานแล้วยังทำใจไม่ได้จะยังมีความโศกกัดกร่องจิตอยู่ตรงนี้ท่านสอนให้ทำจะให้วางเฉยมองเห็นเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดาไม่ตายวันนี้ก็ตายวันอื่นตายวันนี้ก็ดีเหมือนกันพอเข้าถึงกฎธรรมดามันไม่มีอะไรอะ นั่นมีมีหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อบนนณอกเกิดท่านสั่งว่าท่านขึ้นเตียงจะตายนะฮะท่านแน่ใจว่าท่านตายท่านบอกว่าเกิดทีตายทีอย่างนี้ทุกคนทำบุญทำกุศลไปสวรรค์นิพพานนะทำบาปอากุศลตกนรกอเวจี เกิดทีตายทีอย่างนี้ทุกคนทำบุญทำกุศลไปสวรรค์นิพพานแต่ลมื่อก่อนก็ตอนท่านอาจารย์พุทธวัดวัดป่าสารวันท่านป่วยแล้วท่านก็สั่งเสียลูกศิษย์กหาเนี่บอกว่าคนเราเกิดมาาก็ต้องตายนะความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ คือทำมาอย่างนั้นเราก็มานั่งเฉียงพระพุทธเจ้าพูดเพราะดีนะมานั่งเฉียงพระพุทธเจ้าเออพระเจ้าบอกความตายเป็นธรรมดาเรามานั่งเฉียงแล้วเราก็พุทธังจันนังกัจฉามิเออเป็นเรื่องอะไรอ่ะพระุทธเจ้าท่านบอกบอกก็เป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดาแล้วก็หานิยายอะไรไม่ได้เลยสักเรื่องหนึ่ง ในขณะที่เราเกิดเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายบันกอเกาปั๊บมาติดมาตลอดระยะเวลาเลยเราเจนว่าเราแก่อยู่ทุกขณะและเราก็ตายอยู่ทุกขณะเราพัดพรากอยู่ทุกขณะเพียงแต่เราไม่สังเกตพอม่สังเกตที่จริงก็ตอนตอน้ตนๆเราชอบอ่ะนะตอนตอน้ตนๆเราชอบแก่แต่เราไม่รอกไม่ชอบเจ็บไม่ชอบตายเราชอบแก่นะ อยากโตเร็วๆอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วๆอยากจะโตเร็วๆออ่แสดงว่าเอาก็จริงก็เอนิยายไม่ค่ได้เหมือนกันนะไม่รู้เมื่อไหร่จะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพราะเรื่องเหล่านี้กลายคล้ายๆกับเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ใจมนุษย์ไม่ยอมรับใจมนุษย์ไม่ยอมรับยังวันกน่อนเนี่ยข่าวคุณมนตรีปงคานิตแล้วคุณมนจีนี่เก่ง พอเห็นถ้าว่าตายแน่แล้วให้ถอดสายระยอย่างออกหมดแล้วขอมาตายที่บ้านทำกลางวงสาขนาดย า, า, าทำกลางบุตรปัญญามันก็ต้องอย่างนั้นดีมันก็ตายแล้วไปโยงยางมันทำไมก็วันก่อนก็รู้ข่าวอาจารย์จะชิฟก็เป็นอย่างนั้นพอท่านแน่ใจว่าท่านตายแล้วก็ท่านให้ถอดสายต่างๆออกหม ด, ดพระนอกปิ่นมุทกกุกันก็ทราบว่าอย่างนั้น พะท่านแน่ใจคือมันได้มนัสิการนอะารมณ์กรรมฐานนะมันไม่รุงรรงโดยไงมันก็ตายแล้วไปโถงมาทำอะไรทำยังไงว่าให้มันใช้ธรรมะตรงนั้นนะที่ปรากฏตรงนั้นแล้วก็ทำใจวางเฉยก็ทำให้นึกถึงท่านอุปชายะก่อนต่อมา ชื่อพระโพธาปิรามท่านอนโนมคุณมุนีนะะ่ตอนตอนมรณภาพเนี่ยก็ท่านถูกเจาะที่คอแล้วก็ปวดมากก็ไปเยี่ยมท่านเห็นว่าท่านทุกข์ทรมานมากก็บอกว่าท่านอุปชาเพ่งดูที่คอสิครับดูที่คอที่ปวดอ่ะแล้วก็จเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ปวดก็ปวดดูที่ปวดมันแล้วเพ่งไม่ต้องเพ่งที่อื่นดูที่ปวดอปวดมากปวดน้อยก็รู้เท่าเท่าทันต่อความปวดตรงนั้นและเราจะเห็นว่าการปวดเนี่ยมันแสดงอนิจจตาทุกตาอนัตต า, ตามันแสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวใช่ตนอเอาไว้อย่างที่ท่านสอนในพิจารณาเนี่ยเห็นว่ารูป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 ถ้าไม่ตายเรื่องงานทั้งหลายค่อยว่ากันแต่ถ้าตายมีอะไรก็จะจัดการให้ทั้งหมดมันก็ดีใจนะฮะยังภาคภูมิใจยอยู่ถึงปัจจุบันก็คุยกันนานระสมควรเสร็จแล้วท่านก็ตั้งหลักได้อ่ะสงบไม่มีอาการใดยแล้วก็ตายสวยงามมากนี่คือปัญหาสำคัญว่า เราไม่สามารถทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ทั้งๆ ท, ที่เราอยู่กับมันตลอดพวกเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่มันดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง วันเวลาลมหายใจเข้าออกอาหารที่เรารับประทานน้ําที่เราดื่มสังขารร่างกายอาบน้ําเมื่อเช้ามันก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งความสะอาดก็เกิดขึ้นความสะอาดก็ตั้งอยู่ความสะอาดก็แปรผันไปเสร็จแล้วก็เหงื่อออกร่างกายก็เหนียวเหนอะอีกอาบอีกก็ยุ่งยุ่งเรายุ่งกับมันตลอดแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้ตลอดแต่เราก็ทําใจไม่ได้ เพราะงั้นท่านจึงสอนให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาเอาอย่างไรล่ะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาก็ดีเหมือนกันเกิดมานานและตายจากทีก็ดีเหมือนกันก็แล้วแต่คิดนะะคิดยังไงก็ได้บางคนถ้าก็คิดเฉยๆต้องคิดว่าตายแน่ตายแน่ว่าเฉยๆก็ปร่งตกในเรื่องทั้งหลาย คือมันการใช้ความคิดในลักษณะนี้คือยอมรับความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหลายปีมาแล้วมีครูคนหนึ่งเขาเบิกเงินเดือนเบิกเงินเดือนของครูทั้งโรงเรียนนะฮะเพื่อไปจ่ายเงินเดือนแล้วก็เดินผ่านเนี่ยจากอาเภอเนี่ยมันต้องผ่านป่าไปก่อนจะลุ ป, ป่าจึงไปถึงโรงเรียน ก็นึกสยองสยองอยู่ว่ากลั ว, ว่าโจรจะร้นแล้วก็คิดวางแผนไปเรื่อยๆทําก็ทําให้ตื่นตัวหมายความว่าอาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงถ้าไม่เกิดขึ้นก็แล้วไปแต่ก็เตรียมไว้ไปเจอโจรจริงๆเจอสองคนคนหนึ่งนี่ถือปืนมีลูกกระสุนอยู่สองนัดคนหนึ่งถือถือมีดถือถือขวาน แกไปเห็นโจร น, นั่นแต่โอ้น้องจะพล้นเหรอไม่ต้องปร้นไม่ต้องไม่ต้องจี้น้องจะเอาอะไรเอาเลยแกก็ถอดให้หมดปากกาก็เอาให้นาฬิกาก็เอาให้เงินเท่าไรก็เอาให้ทั้งให้หมดเพราะการหยิบให้หมดนี่โจรถึงไม่ระวงังแล้วก็เพราะว่าไม่ต่อต้านขัดขัดขืนอะไรโจรก็วางใจพอเสร็จแล้วพอเรียบร้อยบอกว่านี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเงินเหล่านี้ไม่ใช่ของพี่นะ เป็เงินเดือนของครูเพราะนั้นพี่จะไปบอกเขาว่าถูกโจรสล่นระว่างทางถูกน้องร้นระว่ังทางเนี่ยมึงใครจะเชื่อพี่เพราะนพี่ไปก็ตายนะก็ขอให้น้องเชื่อข้าพี่เต่แลวชี้ยิยงโจรมันก็ใจอ่อนไม่กล้า ย, ยิงเพรามัน่รู้จะยิงทําอะไรอะ่ะก็บอกแกถามแกปลอถบอถามจว่าลูกกระสุนนี่มีเท่าไหร่แกบอกมีอยู่สองนัดเอา้าทั้งนั้นยิงเลยยิงทั้งสองนัดเลย ตัวตัวลงว่าก็ดึงแขนเสื้อดึงแขนเสื้อยิงสองนัดก็เสร็จแล้วก็ยังเหลือปืนปเปล่าๆนะคนเดินก็ตือขวานก็ยืนห่างแกก็ดึงปืนจากข้างหลังมาจี้จับได้ทั้งคู่เลยเห็นไหมว่ามันเป็นลักษณะที่เตรียมจะเผเิญหน้ากับปัญหาดูแล้วกล้ๆคนละเรื่องแป่จริงเรื่องเดียวกันคือหมายความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อันนี้ก็ที่จริงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงว่าจะให้มันดับลงไปด้วยดีเพราะจริงสิ่งเหล่านี้เราก็ระดับหนึ่งควบคุมได้นะรับระดับหนึ่งควบคุมได้แม้จะไม่ร้อยเปอร์เซนก็ตามเช่นสมมติว่าเราแก่เป็นธรรมดาก็ทำยังไงให้แก่ช้าหน่อยบริหารร่างกายสุขภาพพลานามัยให้ดีเราการจะเจ็บไปเจ็บน้อยหน่อยเราอาจจะตายแต่ว่าตายช้าหน่อย อาจจะพระดาดสูญเสียแต่ก็ไม่ประมาทระมัดระวังดูแลเข้าของเงินทองบ้านเรือนก็มันอาจจะหายแต่ว่าหายน้อยหน่อยก็เราก็ได้ประโยชน์จากเรื่องเลานั้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้ถ้าเราลองดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองเนือง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 ที่จริงตรงเนี้ยมันก็คล้ายๆกับตรงคล้ายๆกับประเภทที่เราเรียกว่าพรหมหารูปเบกคาแต่ว่าตรงนั้นมันมองในแง่กรรมของเขาแต่ตรงนี้มองในแง่ของสภาวธรรมซึ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลและกุศลหรือกลางๆก็ตามมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไปนี่คือคติธรรมดามันเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไร ผู้ชายาก็ทรงชี้บอกเราก็ทําใจให้ยอมรับความจริงตรงนี้ได้แล้วก็วางเฉยในสัตว์ในสังขารทั้งหลายลงไปได้ญาติพี่น้องเราก็ตายเราเองเนี่ยาตายเลยปู่ยาตายาตายตายก็ตายก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะฮะคิดคิดดูอีกแบบงถ้าเราเข้าใจคิดนะก็ยังไงท่านตายแล้วอะ่ะก็ทําให้เราได้มีโอกาสทําหน้าที่ลูกหลานกันตันญยู จัดการชาวปนกิจศพของท่านให้เรียบร้อยสมเอตรู้ร่วงไปได้ ด, ดีถึงคราวที่ตาากว่าเราเกิดตายก่อนเนี่ยเราหน้าห่วงเช่เราตายก่อนพ่อแม่เราเนี่ยตายก่อนปุญญาตาใหญ่เราตายก่อนลุงปา้าอาอาเกิดตั้งเกิดมาก่อนเนี่ยแ้วเราตายไปก่อนก็ไปสร้างภาระให้ท่าน แลวตอนท่านตายเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าไม่รู้ใครจะดูแลซากศพให้นะัยความว่าเป็นความคิดที่พลิกสิ่งที่ไม่ดีนะฮะก็ เ, เรียกว่าวิกฤตให้เป็นโอกาสสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีคือหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นมันเราลองสังเกตว่า ถ้าทีของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงแสดงและเกียวกันเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเช่นคาถาที่พระใช้เป็นคาถามาบังสกุลสองบทนะครับบทหนึ่งก็การประรบชีวิตในขณะที่ยังไม่ตายแต่ว่าใกล้จะตายแล้วก็ให้ดูว่าร่างกายนี้ไม่นานหนาวจะล้มลงเหนือแผ่นดิน พอวิญญาณออกจากร่างแล้วก็จะเหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแกนสารอะไรไม่ได้ถ้าพยายามทำใจถ้าพยายามคิดถ้าพยายามส ง, งบใจอยู่กับเรื่องอนี้ความจริงเหล่านั้นปรากฏมันก็สงบใจได้หรือว่าที่ท่านใช้ให้พิจารณาสังขารเมื่อเป็นศพเป็นศพไปแล้วนะฮะแล้วก็เรียนจากเขาเขาก็เป็นครูสอนเรา เพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดเท่าไรก็ดับเท่านั้นปัญหาสำคัญว่าดับเมื่อไรดับที่ไหนดับอย่างไรต่างหากและมันดับนรมาดับแน่ด้วยแล้วในสุนก็วางเฉยแต่จากการวางเฉยเนี่ยมันถึงจุดนึ่งระดับศีลธรรมจัรญาเช่นเนี้ยเช่นเช่น วันเวลาเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ยอมรับความจริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมาให้เราใช้เราก็รีบใช้แล้วกันเพราะมันเลยไปแล้วเราก็แก่ไปด้วยล้วก็ไม่ได้ใช้สารประโยชน์อะไรทำให้คนมีปัญญารู้เท่าทันทั้งความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็สามารถหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ แล้ในขณะเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องเศร้าโศกในทํากลางคนที่กําลังเศร้าโศกเราจะประสบกับความรัดรากสูญเสียบางครั้งบางคราวเนี่ยมันค่อนข้างแก่แท้กระทันรงนะแต่ถ้าอากเราสะสมอยู่ภายในใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกธรรมะก็ขึ้นมาเองเขาขึ้นมาคุ้มครองใจเราให้เองแล้วก็มีหลักในการคิดในการวินจิจฉัยในการตัดสินได้ในขณะนั้น แต่ว่าต้องสะสมความคิดเหล่านี้ไปมากหน่อยจึงสามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาในสังขารทั้งหลายที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นได้ทุกฟังทนายแต่รูปปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญออกงามไพบุญในธรรมจึมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี